เอาหน้ายาซีเรียกเรื่องยายร้องไห้มีหญิงชราคนหนึ่งเวลาฝนตกเธอก็ร้องไห้ อากาศดีเธอก็ร้องไห้ชายหนุ่มคนหนึ่งแปลกใจจึงถามหญิงชราผู้นี้ว่าเพราะอะไรเวลาฝนตกยายก็ร้องไห้อากาศดียายก็ร้องไห้หญิงชราตอบว่าเพราะว่ายายมีลูกชายสองคนลูกชายคนโตขายน้ำแข็งลูกชายคนเล็ก ขายรม่มเวลาที่อากาศดียายจึงคิดถึงลูกชายคนเล็กว่าต้องขายมีดีแน่นอนและเวลาที่ฝนตกยายก็คิดถึงลูกชายคนโตน้ำแข็งของเขาต้องขายมีดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆวันยายจึงได้กลุ้มใจและทุกข์ใจอยู่อย่างนี้ ใชหนุ่มจึงบอกกับหญิงชราผู้นี้ว่ายายยายคิดผิดแล้วล่ะที่จริงแล้ว่ทุกๆวันยายต้องดีใจถึงจะถูกวันไหนที e này, th e ái, ่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอดโปร่งยายก็ต้องดีใจกับลูกชายคนโตสิที่น้ำแข็งขายดิบขายดีถ้าวันไหนฝนตกยายก็ต้องดีใจไปกับลูกคนเล็กด้วย ที่ร่มขาวขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพอหญิงชราได้ฟังดังนั้นเหมือนกับได้ตื่นขึ้นจากความฝันตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรหญิงชราผู้นี้ได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุข